เรื่องปุ่นแห่งจะต้องตอบยำจำในใจรักชัวทำดีทําใจให้ใสชีวิตลําตายจะได้ไปสู่สวันเดี๋ยวเรามาศึกษาเคสตัดดีกันเลย เด็กหญิงบุเขาบายบายบัรณามาสร้างบารมีลรกเป็นนักอเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายที่มีชื่อบ้านรับ้านมิตรภาพค่ะอืมบ้านเดียกถูบอาะเราอยู่ด้วยกันหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจีนลาพมา่าไทยแต่ก็อยู่ด้วยความอบอุ่น วันนี้พวกเราสามคนรวมกันส่งเคสที่มีมากราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะเริ่มจากตัวลูกก่อนเลยเจ้าค่ะครอบครวงลูกมีพี่น้องทั้งหมดหกคนตัวลูกเป็นคนที่สี่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซึ่งลูกไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาทั้งที่ทั้งทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครใครทั้งหมด ไปลงเรียนกรโดนเพื่อนเพื่อนล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูกปัจจุบันลูกวัอายุ16ปีสูวนสูงเพียงหนึ่งสี่สามเซนติเมตรน้ำหนักส5กิโลก ร, รมัมเท่านั้นค่ะแต่สุขภาพ ร, ร่างกายแข็งแรงดีมากครอบครัวลูกมีอาชีพกเกษตรกรชีวิตคุแม่ลกนั้นตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ถูกครอบครัวอื่นนาไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้ เน่งจากคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมากสุงตาอยู่ว่างกัเลยไปมีภรรยาใหม่จึงมีคนมาขอคุณแม่ไปเลี้ยงและใช้ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆเมื่อโตเป็นสาวคุณแม่ก็ได้พบรักกับคุณพ่อจึงย้ายเอามาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่บ้านคุณพ่อซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก็ดีต่อคุณแม่มากเพราะคุณแม่เป็นคนดีและคนขยัน ที่นาของพ่อน้อยกว่าพี่ๆน้องๆคนอื่นๆแต่ผลผลิตข้าวมีจำนวนมากกว่าคนอื่นๆลดได้สามน้ำหรือเปล่าอพอลงมาป่ากินข้าวของตัวเองหมดแล้วก็ต้องมาขอแบ่งจากของครอบครัวของลูกซึ่งพ่อกับแม่ก็ให้ทุกครั้งตัวคุณพ่อสูบุรีเป็นประจำดื่มเหล้าทุกวัน บางวันก็จะมีผู้หญิงแก่แม่ม่มาหาแรกๆคุณแม่ก็เฉยๆพอใบ้ๆข้าวคุณแม่ทนไม่ไหวก็เลยดาล่าไล่ไปเลยตามมีสเสน่ห์ของพ่อเวลาพ่อเมาแม่ก็จะบน่บนๆๆๆอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อจะเงียบไม่พูดไม่เถียงสักคำเถึงดูแล้วไม่ไม่เป็นการทะเลาะ ก, กันเลยคืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟัง ซึ่งลูกก็กำลังไปเป็นกระลมิรให้คุณพ่อเลิกเล่าบุหรี่ให้ได้ปัจจุบันคุณพ่อก็แข็งแรงดีมีอายุ48ปีคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีอายุประมาณ43ปีว่าลูกเรียนจบชั้นมอ3อายุ14ปีไม่มีเงินเรียนต่อคุณแม่จึงให้ลูกมาหางานทำที่กรุงเทพลูกก็เลยต้องขอบายบายบ้านนาะเหมือนกับพี่สาวคนโตซึ่งมาทางาน แล้วก็ส่งเงินให้แม่ไว้ใช้ใจ่ายแต่ตมาพิสาวก็ได้สามีคนไทยจึงยา้ายไปจังหวัดอํานา จ, จเจริญมีลูกเดียวกันหนึ่งคนจึงไม่ได้ส่งเงินให้แม่อีกจึงต้องตกเป็นภาระของลูกที่จะต้องอดออมส่งเงินให้แม่เป็นบุญของลูกจ้าลูกเดินออกเดินทางออกจากบ้านที่ประเทศลาวโดวยมีแม่เดินมาส่งที่ริมแม่น้าโขง ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าสีใสยอยู่เพียงชุดเดียวรออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีเรือหางยามารับให้เพื่อนเดินทางพร้อมลูกทั้งหมด5คนบ่เรือมาถึงเกาะกลางแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นไร้ข้าวโพด ส, สูงสูงลูกและเพื่อนๆก็ต้องลงมาพักอยู่ที่ใ ต, ต้ต้นไม้นั่งรอเฉยๆจากบ่ายสมโมงลูกขึ้นเรือมาจนถึงประมาณ6โมงยน ฟ้ามืดแล้วจึงมีเรืออีกลำหนึ่งมารับประคับแม่น้ำโของอีกเครื่องหนึ่งไปพักที่บ้านคนขับเรือเป็นคนไทยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำาขงฝั่งไทยพักที่นั่นหนึ่งคืนค่าจะจ่ายเสียคนละ200บาทพอเวลาตีสองก็จะมีคนมารับต่อไปขึ้นรถกระ บ, บะนั่งไปถึงตีห้าก็ลงที่บ้านพักของคนขับรถสองสามีภรรยาสังเยในหน้าหางานให้ไว้แล้วที่กรุงเทพ อยู่พักในบ้านจนถึงบ่ายสองโมงนี่จำแม่นทีเดียวแนละ้ว อ, ออกเดินทางโดยรถคันเดิมแต่แบ่งเป็นกลุ่มกลมขึ้นรถคันละสมคนมาถึงกรุงเทพประมาณตีสองนหน้าก็จะไปเก็บเงินจากนายจ้างเป็นเงิน 7,500 บาทโอ้จำแม่นเลย <laughs> แล้วส่งลูกจากรถเข้าอยู่ในบ้านของนายจ้างคอแรกไม่ต้องบอกอรู้ใช่ไหมคะว่าลูกเขามาทําหน้าที่เจ้าคร <Yeah. S 1> บครัวนี้มีทั้งหมด4ี่คน มีพ่อบ้านแม่บ้านและวก็ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนโดยลูกทํางานบ้านทุกอย่างพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะทํางานเสร็จก็จะกินข้าวหลังใครใครลูกๆของนายจ้างก็ชอบมากแกล้งลูกเป็นประจําคอยดูดายลูกเสียใจเสมอๆลูกต้องแอ บ, บร้องไห้เป็นประจําแต่จ้างผู้ชายมักจะชอบดุด่าทำร้ายคนรับใช้เป็นประจําบางครั้งก็ลงมือลงไม้ไม่นายแม่กลัวกระโดดไล่ออก หลังจากนั้นนายจ้างผู้ชายก็ไปรับพี่สาวแท้ๆของนายจ้างชายมาเป็นแม่ครัวโดยเลี้ยงดูเหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านธรรมดาในขณะพี่สาวนะไม่ได้ขารับอะไรพี่สาวนายจ้างผู้ชายต้องพักห้องเช่าเดินทางมาทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านตอนค่ำพราะนายจ้างผู้ชายซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆไม่อนุญาตให้เข้ามาพักในบ้านด้วย ต่อมามีข่าว่านายจ้างบุตชายต้องย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงใหม่ลูกจึงไม่ตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นมีพี่คนหนึ่งมาติดต่องานไว้ให้ลูกแล้วรครอบครัวนายจ้างย้ายไปอยู่เชียงใหม่และประกาศขายบ้านหลังเก่าลูกจึงมาอยู่กับครอบครัวใหม่เดาาอีกก็ถูกอีกค่ะว่าลูกเข้ามาทําหน้าที่ลูกต้องใช้เวลาปรับตัวกับครอบครัวใหม่นี้ เราะแตกต่างจากบ้านหลังแรกมากๆเจ้าของบ้านชอบไปวัดใจดีมีการ ส, สามคนพ่อแม่ลูกชายก้าวบหนึ่งคนลูกจะมีโอกาสได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงของชีวิตที่นี่มี DMC เปิดตลอดมากกว่าครึ่งวันเสียงบรรยายถึงธรรมะดังก้องไปทั่วบ้านเสียงสดมนเช้าเย็นและบูชาเจดี ดูเจนได้ข้าไเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถมยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมีภาษาลาวปรากฏบนหน้าจอจานดาวธรรมดูจดนมารู้จักกบับวัพระธรรมกายครั้งแรกก็ได้ทาหน้าที่เยาวชนต้อนรับระดับโลกเลยคอยต้อนรับหลวงพ่อโล ก, กรู้สึกปลื่มในบุญมีความสุขอบอุ่น แด่พบเห็นวัดที่สวยงามยิ่งใหญ่ได้เห็นมหมาตัวกายใจดีได้รับงานอาสาสมัครมีเพื่อนมากมายแล้วก็ไม่เห็นมีใครดุด่าลูกเลยทุกคนในการต้อนรับดีไม่มีความรู้สึกแต่กลมลูกเหมือนได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยอบอุ่นรักการทำบุญรักการไปวัดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวแต่รวมเหล่าพระในวันที่22เมษา ย, ยน2องพปที่ผ่านมา ลูกปล ma ah an. so, ื้มใจมากไม่ได้เข้าไปในห้องทรงดีเซช่วงฝันนี่ฝันและหลวงพ่อถามว่ามีคนลามาหลอกพระหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เปิดเพลงยิ้มภาษาลาวด้วยค่ะเราจะมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องเห็นลูกแน่เลยค่ะเห็นจ้าเห็นแจ๋วจริงๆที่บ้านที่ลูกอยู่นี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของพี่ชายของเจ้าของบ้านผู้ชายเจ้าของบ้านผู้ชาย เจ้าของบาง้านทีเป็นผู้ชายเนะ่<ร>เขามีพี่ชาย<ร>าและผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของพี่ชาย<ร>าของเจ้าของบ้านผู้ชาย<ร>าขอเรียกสันส้นๆว่าแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านกันแล้วกันนะคะรับเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายเรียนจบม .6 แล้วก็ได้กลับมาทำงานในกรุงเทพพี่เขาทำงานโรงงานวันละ12ชั่วโมงทำให้สุขภาพไม่ก็จะแข็งแรงเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดต่อมาเขาได้มาพบกับพี่ชายของเจ้าของบ้าน เป็นคนนำพาเขาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเขาก็รู้สึกว่าใช่เลยสถานที่แห่งนี้แหละที่ตามหามานานทั้งสองคบกันไปกระดูใจกันไปดูกันไม่นานในสุดพี่เขาจึงตัดสินใจย้ายกันาอยู่ในครอบครัวธรรมกายซะเลยที่บ้านมิตรภาพนี้ด้วยกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันก็มาอยู่ด้วยกันเลยพี่ที่บ้านมิตรภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อแม่ของเขาตั้งท้องโทรเขาแล้วแม่เขาก็อยากจะไปทำงานเป็นหมอนวนดแต่พ่อของเขาไม่ยอมให้ไปทำแม่กับพ่อก็เลยทะเลาะกันแม่โดนพ่อซ้อมทุกวันจนเข้าโรงพยาบาลไม่อยากใช้พลังสตีแม่ไม้มุยไทยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเขาออกมาดูโรคแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในคันเลยเพราะว่าโดนซ้อมตลอด มาเกิดมาแล้วแม่ของเขาก็นหนีออกจากโรงพยาบาลอ่อเสร็จภารากิจแล้วดิทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลญาของเขาจึงได้ไปรับมาเลี้ยงส่วนพ้องเขาก็ไม่สนใจลูกเขาเดินไปเล่าแล้วก็เล่นการ์มนันนันพ้องเขาบอกกับทุกคนว่าห้ามไม่ให้ใครไปหาแม่เขาจึงไม่ได้พบแม่เลยมาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้มาอยู่กับพ้องเขาซึ่งมาทํา ง, งานที่กรุงเทพ ทำให้เขาได้รู้จักกับทอมคนหนึ่งอยู่แถวนั้น <Okay. S 1> ในสุดก็ไปอาศัยอยู่กับทอมคนนั้น <Okay. S 1> แต่ก็มีเรื่องทะเลาะ ก, กันบ่อยเพราะทอมคนนั้นกลัวจะมีคนมาจีบพี่เขา <Okay. S 1> บางวัน น, นก็ตีกัน <Okay. S 1> เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยมากหลัง <Okay. S 1> จากนั้นพี่เขาก็ได้พบกับแฟนผู้ชายคนปัจจุบันซึ่งคอให้กำลังใจช่วยให้ไม่ต้องโดนทอมรังแก <Okay. S 1> พี่เขาก็ได้โทรหาพ่อบอกให้พ่อช่วยเหลือเขาด้วย แต่พ่อเขาบอกว่าไม่ช่วยไม่ต้องกลับมาพี่เขาเสียใจมากที่พ่อไม่ช่วยจะไปซื้อเหล้ามาดื่มและเฟื่อแฟนก็ดื่มเหล้าพี่เขาจึงมีอะไรกับแฟนผู้ชายจนตั้งท้องตอนตั้งท้องพี่ผู้หญิงี่เป็นเจ้าของบ้านมิตรภาพนี้ก็ขอให้กำลังใจไม่ให้เอาเด็กออกพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่แห้อาออกจะช่วยเลี้ยงนี่เจ้าของบ้านนะจ๊ะ ไล่พาแฟนมาทำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้แฟนของพี่เขาเลย ม, มาช่วยทำงานอยู่ที่บ้านดกตอนนี้เด็กในท้องคลอดแล้วอายุได้ประมาณสองเดือนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมิตรภาพค่ะคือใครใครเห็นก็ต้องขออุ้มหน่อยคำถามเด็กในลูกจึงมีตัวเล็กแต่ก็แข็งแรงเป็นสาวจะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่ต่างๆอย่างไรคะ อย่าตัดลาวิบากรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาติต่อไปกรรมใดที่ถามคุณแม่ตั้งไปเป็นคนใช้ตั้งลำบากตั้งแต่เล็กๆต้องทําบุญอย่างไรเพื่อให้หมดกรรมนี้ช่วยกันจำคำถามด้วยเดจ๊ะคุณพ่ อ, องลูกสูบบุรีเดื่มเล่าเป็นประจำแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นมาแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมีวิบากรรมอย่างใดและลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างคะ บนอรุ ก, กรรมใดทำให้ลูกต้องมาทางานมันขอรับใช้ในบ้านหลังแรกซึ่งไม่มีคุณธรรมเลยบนใดที่ทำให้มีพี่มาชวนลูกมาทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้แต่ตัวพี่เขาเองชอบพูดให้ลูกเสียใจบ่อยๆพี่เนาี่ชวนมาชวนมานะจ๊ะแล้วพี่เขาก็ต้องลาออกไปเองลูกแล้วพี่คนนี้เคยร่วมบุญกันมาอย่างไรในอดีต ถึงได้มาเจอกันอีกในชาตินี้ลูกควรจะวางเฉยหรือติดต่อกับพี่เขาดีคะถ้าพี่เขาคิดว่าลูกไม่ตอบแทนบุญคุณลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรไหมคะแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากรู้ว่าการที่มาอยู่กับคนรักก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นการผิดศีลข้อสาหรือเปล่าคะและ้วถหาผิดศีลเขาจะมีวิธีทาให้ผิดมากเป็นเบาได้อย่างไรคะ แต่เขาทั้งสองก็ถือสินห้าเดียกันนัคู่นะแต่ว่ามาอยู่กันมาอยู่ต่อยกันแฟนเขาพี่ชายจะของบ้านอยากออกจากงานที่โรงงานเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นเขามีบุญมากพอที่จะทําทธุรกิจเป็นของตนเองบ้างไหมคะพี่จะเป็นคนจังหวัดกาลสินมีกรรมอะไรแม่ของเขาจึงคิดไปเป็นหมอนวดแล้วทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอด ชาตินี้พี่เขาจะมีโอกาสเจอแม่ไหมคะออการที่พี่ครับรับข้าะคลองลูกในท้องไว้ไม่ไปทําแทง้งจะเป็นการตัดร่อนวิบากกรรมที่เคยถูกแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ไหมคะออจะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งได้อย่างไรคะกรรมใดทําให้พี่เขาต้องมาอยู่กับทอมคนนั้นแต่ในี้สุดก็ได้มาอยู่กับแฟนคนปัจจุบัน ร้อยในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมา ก, ก่อนหรือเปล่าทำไมโลกของพี่เขาจึงมีแต่คนรักตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเป็นใครมาเกิดอำบุญมาอย่างไรยังมียังมีแต่คนรักคะโลกและคนอื่นๆในครอบครัวนี้ต่างคนต่างต้องจากบ้านของตัวเองมากันทั้งนั้นแม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี้ลูกอยากทราบว่าทําไมทําไมบ้านนี้ จึงต้องมาดูแลกันเองไม่มีผู้ใหญ่คอยบนคอยว่าพวกเรามีบุญกรรมกันมาอย่างไรคะจึงได้ไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ในบุญกันทุกคนเลยคะ่ะตัวลูกเองเรียนแค่มสามแต่มีศรัทธาอยากทํางานที่วัดลูกจะทําได้ไหมคะตัวลูกแฟนพิชาเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาลสินเคยสร้างบารมีกมับโมคณะมาอย่างไร เคยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่ภูเขาจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตัวมิตาเตินขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปาราคันเจ้าลูกตัวเล็กแต่แข็งแรง เพราะวาจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกรมับโมนะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนาว่าหนูหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียวจึงทำให้พี่เขาหงุดหงิดสิ พี่เขาก็เลยสวนกลับมาว่าทางนั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มันส่งผลอ้าเออเนี่ยไอ้แม่เจ้าวากฎแห่งกรรมนี่แหละมันเป็นกติกาของชีวิตทุกคนมันตกอยู่ใต้นี่จริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ทำไมทำไมเนี่ยจะต้องมาปรับคดีเขาด้วยเซตโปรแก ร, รมไปเลยเนี่ยเรียกว่าแทบจะขยับอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จะแก้ไขก็ต้องระ ม, มัดระวังคําพูดให้พูดแต่พิยาวาจาฐานอาหารที่คารพมูพักพ่อนในเพียงพอและสั่งสมุนบุญรัติฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้เจา้าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะตัว น, นี้ไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อ ก, การสร้างบา ร, รมีเราทําได้ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้วชื่อภูเขา คนแม่ต้องไปเป็นคนใช้ลําบากตั้งแต่เล็กๆเพราะเพราะกรรมแน่ดีตอนเด็กๆชอบใช้พ่อแม่พ่อทำหน่อยแม่ทํานี้หนซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะทีจนโตขึ้นมีลูกแล้วแต่ ง, งานแล้วมีลูกแล้วก็ยังใช้ท่า น, นทํานอนทํานี่บ่อยๆเพราติดนิสัยอะ่ะโดยไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของท่านเลยบวกกรรมที่ตรนี ไม่ค่อยได้ทำทานมารวมส่งผลด้วยจ้ะจะแก้ไขก็ต้องเลิกตรณีมันสังสมบุญให้เยอะๆแล้วทำบุญทุกบุญทุทิดให้กับบิดามารดาที่ตัวเคยไปลนโรเกินท่านเอาไว้จ้ะให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นบาๆก็จะหายควรจะลาทำบุญคุณพ่อขงลูกสซบุรีเดิมเล่าแต่ก็เคยบวดช่วงสั้นถ้ายัางไม่เลิกก็จะมีโอกาสไปอุตสานรกหรือยมโลก ได้ไม่ได้ไปมาหานรกแต่ก็เนี่ยน้องๆก็อุตส่าหรทกหรือยมโลกเพราะบุญบวชนี่มาตัดรอนและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปท่านะานะ่าก็จะเป็นคนบัญญาอ่อนใ บ, บ้ามีโรคมากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นจ้ะ่นอนนั้นยังเชื่อเสียชื่อเสียงอะไรสารพัดยิ่งเจ้จะช่วยเหลือท่านก็ะทำเป็นกาลยายนมิตรทีท่านได้ชี้โทษภัยของอบายให้เห็น ซึ่งก็ไม่ใช่ เ, เรื่องง่ายแต่นั้นในช่วงนี้ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะและ้วก็อธิษฐานเจตเทเบลนี้ไปดลบรนดาในทันเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะและ้วอธิษฐานนี้เลือกให้ได้เอาบุญเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมก่อนอย่างถ้าบุญกล่าวของท่านได้ช่องนั่นแหละจึงค่อยไปแนะนําท่านไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็นสนกลับมาแต่ต้องมาสอนพ่อจริงๆไม่ได้มาสอน มากราบเรียนให้ทราบด้วยความรักและเคารพอย่างสูงว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ย <Pine apple> ก็อยากจะกราบเรียนให้ทราบก่อนควรไม่ควรก็แล้วแต่ควรจะโปรดเถิดดวงใจโปรดเอาไปทําตัวด้วย <S <S 1> <S 1> ไม่ได้สอนเลยอย่างนี้ไงเอามามอบเมนประเคนให้พ่อนี่ต้อบอกงั้นเนะพอท่านบอกว่าสอนเลยไปเอาสอนนี่ เนี่ยแต่ว่าจะยินสิ่งอะไรดีๆเนี่ยจะนึกถึงพ่อเพราะว่าพ่อเป็นสุดเลิศของลูกจะต้องให้สิ่งดีๆกับพ่อก่อนส่วนให้แล้วพอเอาไม่เอากันแล้วแต่พ่อแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ไงว่ากิลิดังที่เคยได้ยินมาว่าลูกต่อมาเป็นคนใช้บ้านหลังแรกจะมมีคุณธรรมเลยเพราะกรรมในอดีตในชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหมูนะ่คณะ ชาตินั้นอืลูกจะเป็นกุลธิดาเศรษฐีบุตรีลูกเศรษฐีลูกนี่ยอดีตเป็นคนเคยรวยเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะลูกภูเขาเนี่ยทีนี้ก็ชอบใช้รุ่นพี่หลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในฐานะตัวเป็นลูกเศรษฐีลูกจะภาพใหญ่นี่อ้าไปทำโน่นทํานี่อพี่ทํานั้นไหนเป็นนี่ไหน ทำเหมือนคนรับใช้น่ยซึ่งเขามีศีลมากกว่านะ่พี่บางคนก็ถือศีลแปดงี้ไปใช้เขาจึงทําให้กรรมอื่นได้ช่องมาเสริมคือกรรมแห่งความตระนีนในบางชาตินะจ๊ะในชาติอื่นและกรรมที่ดุดาว่าคอรับใช้ในบ้านระบบกรรมมีมน้าทิฏฐิด้วยอ๋อในชาติเดียวกันในชาติเดียวกันกรรมแห่งความตระนีนกรรมที่ดุดาว่าคอรับใช้ในบ้านระบบกรรมมีมาน้าทิฐิด้วยมารวมส่งผลจ้ะ คือกรรมพวกนี้กำลังคอยช่องว่างนี้อยู่พอเราทำวิบากกรรมที่เป็นกระแสะแห่งบาปมันก็ดูดปุ๊บเข้ามาเลยรวมส่งผลเลยก็เป็นอย่างปัจจุบันนี่แหละนั่นเศรษฐีบุตรนะทำเป็นเล่นไหมภูเขาเนี่ยลูกเด้กมีพี่คนนึงมาชวนทำงานกับครอบครัครวธรรมกายนี้พระบุญที่ลูกเคยทำกับหมูนะ่คณะมาดังกล่าว เมื่อถึงเวลาส่งผลก็บรรดาได้เจอพี่คนหนึ่งมาชวนให้ทำงานกับครอบครัวธรรมกายซึ่งก็เข้าวัดพระธรรมกายและเขาก็จะได้นำมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกจ้าแต่พี่เ็าชอบพูดให้ลูกเสียใจและลาออกไปเองเพราะตัวลูกเองนะมีวัจจกรรมเยอะจึงทำให้มาเจอคนที่ชอบพูดให้เสียใจบ่อยๆจ้า mm hmm. นี่วัจจกกรมเกาจึงมาดูดวัจีกรรมในชาติปัจจุบัน ของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเ้าโดนเน่ยมันเป็นอย่างไรอีกทั้งพี่เขาก็มีทิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีบุญครบบัณฑิตนักปราชญาพี่คนที่ชวนมาทํางานเนี่ยลูกและพี่คนนี้ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็นมีเป็นญาติกันกันก็มีมาแนอดีตแก่นจ้าลูกก็ควรจะไปเป็นกระไรเมตถ์ให้เขาแนะนําให้เขามาสร้างบุนกระหมูคณนะเขาก็จะได้มีบุญติดตัวไป แล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเขาที่เขานำพายลูกเดินมาอยู่สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกายนี่จ้าเมื่อไปทําหน้าที่แล้วเขาจะแสดงออกอะไรก็อย่าไปถือสาเขาเฉยๆเขาทํากับเรื่องของเขาเนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยสมมติเขาทาหน้าบูดบึ้งหน้าเขาไม่สวยเองก็แล้วแต่เขาเขาพูดไม่ไพเราะปากเขาไม่สวยเองเพราะคำพูดมันเสียก็เปนเรื่องของเขา ยังงเไงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรล้วก็ทำทันทีของเราไปแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านได้มาอยู่กับคนที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานตามประเพณีนั้นถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรื อ, อยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามาดาก็ถือว่าผิดสีน ข, ข้อสามนะถ้าถ้ายัง อยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้วไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้านอกใจกันถือว่าผิดสิ่งข้อสามแต่ถ้าไม่นอกใจอีกเรื่องไม่ผิดถ้าให้ดีที่สุดก็คือไปแต่งงานก็ได้หมดเรื่องหมดราวมันถูกเรื่องถูกราวซะ ตาคนบอกคำนึงว่าทํทำประเพณีที่ดีงามจ้ะแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนแล้วไปอะไรกันแล้วแอบบรักปอบใหญ่รับรู้รับเห็นในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านทั้งคู่มีสี่ห้าแค่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัยและไม่ได้นอกใจกันถือว่าไม่ผิดสีข้อสามจ้ะถ้าปกครองตัวเองได้อยู่ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจถือว่า ไม่ผิดสิ่งข้อสแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันถือว่าผิดข้อสกับถ้าหากไปบระลุนิติภาวะก็ไม่ทราบว่าอยู่ในประเด็นไหนแฟนกองวิชาเจ้าของบ้านอยากออกจากโรงงานแล้วมาทำธุรกิจเองเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นนั้นก็ต้องสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆแล้วเริ่มต้นทาธุรกิจเล็กๆขึ้นมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์ ค่อยเป็นค่อยไปก็จะค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับแห่งกำลังบุญของตนจ้ะคือแล้วก็ทำธุรกิจเล็กๆมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์แล้วก็ค่อยศึกษาไปใจเย็นๆใหม่และบุญปัจจุบันก็ทำด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยมันก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแหละแม่ของพี่เป็นคนจังหวัดกาลสินแต่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดพี่อีกคนนึงนะพี่ที่มาจากจังหวัดกาลสิน เพื่อจะไปเป็นหมอนวดพระวิบากกรรมกาเมเจ้าชูในดีของพี่เขาของพี่คนนี้ในสมัยที่เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เมื่อมีท้องแล้วก็ทอดทิ้งลูกให้คนอื่นดูแลนะ่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลใช่ท้องแล้วทอดทิ้งไงลูกให้คนอื่นก็ดูแลตัวเองไม่ดูแลไม่รับผิดชอบให้พี่เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้เจอแม่ เจอแม่เหมือนเห็นแม่คนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานทุกวันแล้วก็ไปลอยกระทงเจอกันจำได้ไหมจ๊ะ จ, จากวันหนึ่งมาบุญส่งผลเต็มที่ก็มีสิทธิ์เจอได้จ้ที่พอเหลียวมาไอหน้าใครแมอ่อ่ชื่ออะไร อ, อไการที่มีข้าวข้าคประคองลูกไว้ในท้องโดยไม่ไปทำแท้งก็ถือว่าแก้ผังเก่าที่เคยมีท้องแล้วไปทำแท้ง ให้เบาบางลงจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งก็ต้องอย่าทิ้งลูกและสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าฟ้าอะไรนั่นแหละอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆาบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมและชาตินี้ดีที่สุดก็คือมีลูกคนนี้และแฟนคนนี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็รักษาศีลห้าให้ดีจ้ะ ทั้คู่แหละต้องให้แฟนเขารักษาจิตนาการโดยอยไปดื่มน้ําเมาอย่าไปเจ้าชู้แล้วก็อย่าไปเล่นการมา น, นั้นเลี้ยงหนูลูกให้ดี <L> ก่อนที่พี่เขาจะมาอยู่กับแฟนคงจจุบันได้เคยไปอยู่กับทอมก่อนเพราะวิบากกรมการเมเจ้าชู้ของพี่เขามีมากในชาติจะเป็นผู้หญิงที่ผ่านมาหลายๆชาติมารวมส่งผลจะ้ะจึงมีจิตคิดที่แตกต่างจากผู้หญิงปกติ และก็เกิดความพึงพอใจลูกของพีเขามีคนรักตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเพราะเด็กในท้องมีบุญสง่งเคราะห์ญาติมาในอดีตมาส่งผลให้มีคนมาสง่งเคราะห์และรักในปัจจุบันนี้จ้ะลูกแล้วคนอื่นๆต่างต้องจากที่บ้านตัวเองมาทั้งนั้นแล้วมารวมอยู่ในครอบครัวธรรมกายนี้แม้แต่จะของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี่ต่างก็มาดูแลกันเองเดยไม่มีผู้ใหญ่มาคอยบ่นคอยว่าและอยู่ร่วมกันในบุญอย่างมีความสุขเพราะ บุญนี่ทุกคนเคยสร้างร่วมกันมาแม้ว่าเกิดมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญ่อถึงเวลาบุญที่เคยสร้างร่วมกันมานั้นกำบรดาลให้มารวมกันจ้าตัวลูกเองเรียนแค่มอสามแต่อยากทำงานที่วัดก็ให้มาเป็นอาสาสมัครและอยู่กับครอบครัวธรรมกายจะเหมาะสมที่สุดจ้าตัวลูกแฟนพิชาเจ้ของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาลสินเคยสร้างบา ร, รมีกระหมูคณะมาแบบกองสเสบียง ประเภทตามอารมณ์โดยเฉพาะตัวลูกเองใน่ดีไปลูกเศรษฐีประมาทในการดําเนินชีวิตได้พลัดกระมู่คณะไปหลายพุทธันดอนแล้วชาตินี้บนเก่าที่เคยสร้างมากระมู่คณะกบรดานี่มาเจอกันอีกอย่างทุลักทุเลทีเดียวข้ามน้ําข้ามแรงตา ม, มาลําบากชาตินี้ก็อยับประมาทกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อมาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุจสิ์บุรี วอบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ปลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆเลยจ้า <functions>